<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بل اتبع الذين ظلموا أهواء ว่าเล่าห์ว่ م เล่าห์ว่าเล่าห์วَาเล่าห์ว่ ن เ ฟุตุรต้าอัลลอที่ฟุตระนัสะ عليها لا تبدل لقلب الله لا تبدل لقلب الله ذلك الدين القائم ذلك الدين ا ل ق ا م ل َรรَ و َ ل َาญาณُูนมูนีบินให้ได้ที่วัดคูมูนีบินให้ได้ที่วัดคูว่าที่มุสลิมและจะต้องเป็นมุสลิม من اللعين فرقوهن وكانوا شيعا كل حسب بما لديهم فليحون كل حسب بما لديهم ف ر ِ ح و ن بسم الله الرحمن الرحيم อินนั่ลฮะมดลิล ل อฮ ن นะฮ ر ม و ดุห์วะนัสต้าอิَِุ์วะนัสตัَซิรุห์วะน้าอَุิลลอฮิมินชุรุริอันฟุซินะวะมินไซยะต์อัมมَลินะมัยِ์ดิลลอฮ์ฟะลามุดิลล์َะวะม ه ย د ุดลิล ل َะลาฮَดَลล์ละว่า ل َวะลาอีลาห์อิลลัลลอฮ์อัَฮะเَหَละวَาชดอัَมุฮัมมัดอัน عبد ุห์วَ رسوله Allahumma biqa a s b a ن n a wa biqa َ m s a i n a wa َ i q a nahya wa biqa namuto wa i l a م k a n nushur a'uzu bi kalimatillahi t a ا a t min sharri ma khalaq Bismillahi al-ladhi la ya'dur ma asmih shay'uun fil ardh wa la fil sama wa wasami al-'alim รดีตบิลลาฮิรับบ์ وبالإسلام มิดีน์และบิมุ hammad الرسولا อ ل ลลอฮุมอินนี أعوذبك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذبك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم رحمة الله وبركاته พ <ت ص> ี <في> ่น <ق> <ت> ้อ <ص> ง <في> ท <ق> ี่ร่วมนมัซุบอ์ที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตาม รายการนะครับตับซีที่อยู่ที่บ้านนะครับทุกท่านด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาอูบานาละอัลลอฮฺเนี่ยให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ไม่ให้อยู่แบบเล่นๆ น, นะพี่น้องมีชีวิตอยู่ไม่ใช่อัลลอฮฺจะปล่อยเอา้าอยู่กันไปจะทําอะไรจะคิดอะไรใช้สมองตัวเองคิดเองทําเองไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้น คำตอบจุนในการพีกุรณาก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดอินแลนียาบูดูนเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ก็คือให้ยินและมนุษย์เนี่ยแสดงตัวเป็นเบาวที่ดีของอัลลอฮ์ไอการจะเป็นเบาวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องดูดูุรานหาความรู้จากกุราน คือความรู้ที่เราอยู่ในโลกนี้นะเพราเราอ่านไปอ่านไปเราได้ข้อมูลอย่างเดียวความรู้ที่อยู่ในหนังสือทั่วไปเนี่ยนะจากหนังสือที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัยก็ดีอะไรก็ดีได้ข้อมูลเท่านั้นเองแต่ถ้าเรียนกุรอานเนี่ยเอาล้อให้อย่างนะเปลี่ยนแปลงคนท้าเรียนอัลกุรอานหาความเข้าใจจากอัลกุรอานเนี่ยเปลี่ยนนิสัยครับ ถ้าอย่างนั้นเราไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยสอนซอบ้านนบีเอาวิชาอะไรไปสอนเอาอะไรกรุรอานเอากุรอานสอนบรรดาซอบ้านนบีแล้วก็เปลี่ยนหเปล่าเปลี่ยนหมดเลยอะเปลี่ยนหมดฉะนั้นเรามั่นใจว่าคัมภีร์อัลกุรอานที่อยู่ที่บ้านเรานะนะเราไม่ได้อ่านเท่าไหรเพราะเราว่าออานกุรอานอ่นานลลบุญ แต่ความจริงกุรอ่านเล่มนี้ท้าอ่านด้วยรู้ความหมายนี่นะอัลลอฮฺอัลบาเปลี่ยนแปลงนิสยัยเปลี่ยนแปลงมารยาทเปลี่ยนหวัวใจความคิดหมดเลยครับท่า น, นบรรดาสว่านะบีนี่ถึงนะอัลลอฮฺ Allah ได้ชมบรรดาสว่านะบีว่าไงนะอัสซาบิคุณละอวัลูนมินลมุฮะจีรีนอัลอัองซรวัตะบะอุมบิอิซานรยัลลอฮุอับะรดุอันบรรดาสว่านะบี ที่เป็นชาวมังกาก็ดีชาวมารีนา่าก็ดีก็เรียกอันสอดนี่นะอลัลลอฮ์พอใจเพราะภูเขาเป็นบุคคลที่อลัลลอฮ์พอใจและวกเขาเนี่ยพึงพอใจที่จะเอาคำคำสอนของนบีมาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันขอบคุณเอรอห์ะนะเป็นรองเรามาเนี่ยทบทวนะนะอาทิตย์ละครั้งนะเนี่ยชั่วโมงเดียวนะอาทิตย์ละครั้งมาถึงซูลรออัรูมตรองนึกเยอะเยอะอัรูมเนี่ยหมายถึง อาณาจักรโรมันรับอิสลามกันหมดเ่ไหมอ่าเปอร์เซียก็รับอิสลามอาณาจักรโรมันก็รับอิสลามรับทำไมอ่ะเาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองกันพอฟังคุรานแล้วมันอยู่ไม่ได้อลลอฮฺอักะด์ทนเราต้องขอบคุณออลลอฮฺนะวันนี้เรามาทบทวนคุรานมาถึงอายาที่2ี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอลลอฮฺพูดอายาสุดท้ายใช่ไหม เรื่องอะไรนะเรื่องการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ทำชีริกต่ออัลลอ์เนี่ยอัลลอ์พอใจไหมอ่ะไม่พอใจเลยนะอัลลอ์ยกตัวอย่างดูตัวคุณกันแล้วกันพุดง่ายๆคุณมีธุรกากิจการค้ามีเงินมีทองแล้วก็มีลูกจ้างในกุรอานพูดว่ามีทาสที่อยู่ใต้บังคับบัญชาดูแลของคุณเนี่ยช่วยคุณทำงาน จนกระทั่งร่ำรวยคุณพอใจไหมที่จะให้ทาสที่มาช่วยงานคุณนะหรือลูกจ้างที่ช่วยงานทุนจนกระทั่งร่ำรวยนะ่ะมีหุ้นส่วนในในทรัพย์สินคุณคุณพอใจไหมอ๋อเข้าใจง่ายนะคุณพอใจไหมลูกจ้างของเราดีทาสของเราก็ ด, กดีที่เราเลี้ยงเอาไว้นี่นะ ไอทํางานตรงกระทั่งเราเนี่ยร่ารวยมีเงินมีทองเป็นหลายๆร้อยล้านเนี่ยนะแล้วก็ทาดกับพนักงานลุงจ้างเราเนี่ยมีส่วนร่วมในทรัพย์สินของเราคุณพอใจไหมไมันมีใครพอใจสักค น, นใช่หรด้ไม่ใช่เอาล้อแค่ลุงจ้างเดินเข้าห้องเราจะพอใจหว่า <c oughs> ห้องนอนเราเนี่ยมันเดินเข้ามาเรามาหยิบกระเป๋าสตางค์หรือมาหยิบนู่นหยิบนี่เรานอนอยู่ ยังไม่พอใจเลยนี่อัลลอ์ต้องอธิบายให้มนุษย์ได้ใช้ปัญญาว่างานของอัลลอ์อย่าไปแตะอย่าไปแตะอัลลอ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนมนุษย์แล ะ, ะสัตว์และอัลลอ์สร้างว่าอย่าไปเคารพอย่าไปกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอ์นะแต่วันนี้เป็นไงเข้าไปกราบสิ่งอื่นของที่อัลลอ์ห้ามเนี่ย เองแค่เป็นเ่าของฉันเนี่ยทำตัวเหมือนเจ้านายไปแล้วทามวัดเราพอใจเปล่าอารออไม่พอใจฉะนั้นอาร้อสั่งนะว่าอย่าทำชีริกอย่าพาชีริกติดโลงไปอย่าพาชีริกติดผ้าขาวไปอย่าพาชีริกติดตัวไปเต่าบาตัวก่อนก่อนที่จะตายเนะี่ถ้าใครไม่เต่าบาตัวนะตายในสภาพที่เป็นคนมุชริกหรือคนกาเฟสนี่นะอาร้อนลงโทษ คอใจนะคนี้เลยละฉะนั้นหัวใจเราต้องสะอาดอยู่กับอัลลอ์โยงกับอัลลอ์และสุนนะท่านนาบีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีความสามารถเพียน้อยทั้งนั้นไม่ถึงอัลลอ์เวลาอัลลอ์จะถามให้มาเลยกามาถามที่กูโบนะถามกี่เรื่องสามเรื่องเรื่องอักีดา้าหมดเลยหนึ่งอัลลอ์ใช่ไมสองนบีสามกูานอย่างอื่นไม่ได้ถามได้สามรายการนี่หลาพีน้องก็พยายามผูก โยงกับอัลลอฮ์ให้แน่นโยงกับสุนนะนบีให้แน่นโยงกับอัลกุรอานให้แน่นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอิชะอัลลอฮ์ครับวันนี้มาอายะที่ี่สิบนะครับพี่น้อง بال الذين ب ا ل م و ا أهوهم بغير علم فمن يهتم أن أضل الله ว َمَا لهم َُ من ناسرين بل ا َ ت ب ع الذين َ ظلموا ََ أ ه و ه ا َ ه م بغير َِ علم فمن يهتدي من أضل الله وما ََ لهم َُ من ن ا ِ ر ي ن الحمد لله อาย่านี้ตองการจะคุยว่าตัวทำลายตัวชิริกยังมีอีกตัวหนึ่งหน่งอยู่ในอาย่านี้ชิริกตัวเนี้ทำลายตัวเราเองอารมณ์คำไหนอาวะอาหุมอารมณ์ของพวกเขาเนี่ยที่เอา ล, ล็อตเตือร์ในการพิจารณานะ ตัวอารมณ์นี่แหละอารมณ์มีอยู่กี่อารมณ์ที่อลลอบแปลไว้ในหัวใจของมนุษย์หนึ่งอารมณ์โกรธสองอารมณ์ขี้เหนียวเรียงไม่ดีทั้งหมดแต่มนุษย์ชอบหมดเลยนะอารมณ์ผูกพยาบาทอารมณ์ดันทุรงังต่อต้านเิริกนี่อารมณ์ท้งหมดเลยนะ โกรธโมโหผูกพยาบาทเอาชนะนี่อารมณ์หมดเลยนะอัลลอฮ์ให้ไหมให้ไม่ต้องเรียนที่ไหนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปจบมหาวิทยาลัยไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนว่าโกรธทํำยังไงไม่มีใครสอนนะแต่อัลลอฮ์ให้มานะ่ะเก่งหมดเลยอัลลอฮ์ก้อน <c oughs> ถ้าคนที่ไม่อ่านคนอ่านเนี่ยอารมณ์เยอะอ่านนะกูดูคนอ่านนะครับ บาลิตตาบาลลาดีน o โหรามูอิตตาบาลนี่แปลว่าปฏิบัตตามบาลแปลว่าไม่ใช่เช่นนั้นอิตตา a าลแปลว่าปฏิบัตตามอัลลาดีน่ะบรรดาผู้ที่อรอเลมผู้ใดรอเลมอาธรรมคนอาธรรมเนี่ยชอบปฏิบัตตามปฏิบัตตามอะไร อหัวอาหุมชัดเจนเลยนะ <c oughs> คนซอเลมนี่อัลลอฮ์ตรามีแล้วนะคนซอเลมคือคนมุชริกคือคนชั่วคนสร้างความอาธรรมเดือดร้อนนี่บนโลกดนยาใบนี้เนี่ยพวกเขาปฏิบัติตามอะไรครับ <c oughs> อหัวอาหุมปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาและอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่อัลลอฮ์ให้อารมณ์มาเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้นะ เอามาทำอะไรพี่น้องเอามาควบคุมเอามาอะไรนะคอนโทรลนะไม่ใช่เอามาใช้นะ อ, อย่างนี้นามาโซโบเเนี่ยไอ้ตอนจะขึ้นเนี่ยต้องเยียบเกอารมณ์ <c oughs> ขึ้นจากที่นอนเนี่ยตาตายาฟายูนูบูฮุมอานิลมาดาเยะอัลลอฮฺสั่งนาให้เอาสีข้างึ้นนะลุกออกมาจากที่นอนซะ ไอตอนจะลุกเนี่ยต้องเยียบที่อารมณ์บางคนเนี่โทรศัพท์มาหาผมนะบอกว่าอล๋อฉันนี่นะก่าจะลุกลุกขึ้นนมาศตาหัตยุดเนี่ยนะต้องนึกนึกชีวิตในกูโบอ hey. ถ้าอรอสอบเราจะตอบได้หรือเปล่าแล้วก็อัมมัน่นเราอย่างอื่เรามีครบไหมลุกขึ้นไวนะ้อะกว่าจะลุกขึ้นเนี่ยร อ, อบิดตัวหลายเที่ยวนะ จะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นและอารมณ์เนี่ยอร่อยจริงๆฉะนั้นถ้าเราควบคุมอารมณ์เราได้นี่นะขึ้นได้ไหมอร่อยพอขึ้นมาแล้วต้องอ่านดวอาอีกก็ต้องไปเรียนซุนน่านาบีจะเข้าวของน้ําตามซุนน่านบีก็ต้องเยียบอารมณ์เองเราเคยเข้าแบบเข้าวไหนก็ได้เพราะอิสลามมากํากับชีวิตปั๊บนี่ต้องเหยียบอารมณ์หมดเลยเข้าไปไปอ่านหนูซื้อพิมพ์หรือเปล่าตามมาอีกแล้วฉะนั้น จะออกออกมาแล้วมาอ่านดาอุที่กิจท้อจันนมาตเสียงเสียงอาจารย์มาแล้วจะนนามาตที่บ้านดีเรื่องมานรรมารี่มัสยิดด้วาอารมณ์มาอีกเห็นไหม้ามีช่วยด้วยที่ไปนมาสซลเอาไปไปไปไปไปกลังใจมาเต็มเลยฉันอารมณ์อยู่น้องครับเป็นตัวขวางเราให้ตกตำ่ำนั่นใครที่ปฏิบัติตามอารมณ์นะไม่ใช่เป็นหน้าเป็นคนดีนะเป็นคนเลวคนหนึ่งเรื่องวอร์อย์ละมูเป็นคนอธรรม บลบลตาบาลนลมูอวหุมไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนั้นไม่ใช่เช่นนั้นดอกนะบรรดาผู้อธรรมซลมูบรรดาผู้อาธรร ม, น, รรมนั้นได้ปฏิบัติตามอารมณ์ต่ําของพวกเขาทนี้อารมณ์ตามเนนี้มาจากไหนอมาจากชั้นฟ้าเป็นวีใช่ไหมไม่ใช่ บิรอยร์เอลมินโดยที่ไม่มีความรู้อัลลอฮ์ไม่ได้รับรองว่าอารมณ์เป็นความรู้ที่ประเสริฐนั้นนะไม่ได้รับรองเลยนะอารมณ์มันตัวทำลายไม่ใช่ความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความรู้นะไม่ใช่่านวะฮีฮัจิบรี ล, ลงมาให้เอาอารมณ์นี่ไปไม่ใช่ครับนี่ตรงกันข้ามนะครับอารมณ์กับวะฮีต่างกันไหม โอ้โหอารมณ์กับวะหต่างกันไหมต่างกันอารมณ์คือเกิดจากตัวเราเองส่วนวะหมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ซุลฮะนะฮุวาตัอาลาฉะนั้นอัลลอฮ์มาด้รับรองนะแต่อัลลอ์ให้มาเนี่ยไม่ใช่เอามาใช้นะเอามาเอามาควบคุมนานๆออกออกมาใช้ดีต้องขอยกตัวอย่างไซนาอลีครั้งที่แล้วกับผูส้สนะี่นาอลีนคืออัลลอ์เนี่ยนะ สอนว่าจะทําความดีแต่ละอย่างนี่ให้ทําเพื่อใครนะเพื่ออัลลอฮ์เขาเรียกว่าอิคลาสทําเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งและรูปแบบในการปฏิบัติเหมือนใครเหมือนท่านนาบีคนเดียวนะเพราะเราอยู่ในยุค ข, ของนบีม า, มาต้องนบีหม่คนเดียวเขาเรียกว่าอิคลาสไซนาอัีนี่เอาดาบจอคอคนกาเฟนขนมุสลิตต้องการจะประหารนะนะ เต่็แล้วคนมุชเชตคนนี้นะถมน้ำลายใส่หน้าใส่นาลีพอถมน้ำลายปั๊บเนี่ยอารมณ์มายัางมึงอันน้ำลายถมครเนี้ยที่แรกอ่ะทำเพื่ออัลรล่ะพอถมน้ำลายปั๊บเนี่ยอารมณ์โกรธมาเลยสนารีเอาดาบวางคุณอิสระ <c oughs> และคนกาแฟในก็ถางว่าทำไมไม่ฆ่าฉัแล้ะจัดการเลย นาลีต่อว่าไงรู้ไหมตอนแรกนะ่ยฉันทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งแต่มาพออยูาา่ในช่วงสงครามกันเนี่ย่าได้เลยแล้วไม่ผิดละฉันทําเพื่ออัลลอฮ์แต่พอคุณถ่มน้ําลายใส่หน้าฉันเนี่ยอารมณ์โกรธมันมาอารมณ์โกรธมาเนี่ยถาอัลลอฮ์พอใจอารมณ์ป่าไม่พอใจวางดาบให้อภัยคุณไปกลับไปนี่คือตัวอย่างครับถามว่าไซนาอาลีเอาความรู้เนี่ยมาจากไหน คิดเองเหรอไม่ใช่ผ่านวาฮีไนงะวาฮีผ่านใครผ่านเิบรีนมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอาเลยูบัสสลัมเห็นไหมท่านอารมณ์กับวาฮีเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันฉะนั้นวันนี้โลกเราที่มันสับสนวุ่นวายเนี่ยคนชายอารมณ์มากกว่าใช้ความรู้ที่ผ่านวาฮีโอเห็นน้อพยงยงครับความรู้ที่ผ่าน ว, วาฮีเขาเรียกว่าไอลุนที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่อารมณ์นั้นอ่ะไม่ใช่ความรู้ที่ผ่านวหีเป็นความรู้ที่มาจากมนุษย์ที่อัลลอฮ์มอบให้ตอนนั้นเองชา ย, ยบนดุลยานี้แต่ใชาไม่เป็นอัลลอฮ์าควาถามว่านาบีเคยชายอารมณ์เปล่าอา้าวถามมจริงเคยชายไหมไม่มีครับนบีไม่เคยชาไม่เคยใช้อารมณ์อัลลอฮ์รับรอง น, นะครับมีกุคอ่านว่าหัามายังติุกอา น, นิลภาวานาบีไม่เคยพูดตามอารมณ์ บาลหัวบาลแต่ว่าทั้งหมดเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์หมดเลยอินหัวอิลลาวาฮยูยูฮาที่ท่านนาบีพูดแต่ละคําแต่ละคํานั้นเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ไม่มีอารมณ์เห็นยังครับฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้อารมณ์กับเราเยอะแล้วอัลลอฮ์ก็ให้วาฮีมาด้วยอัลกุรานอยู่หน้าบ้านท่านเนี่ยแต่เราไม่เคยเอา วัีของอัลล์เนี่ยมาเป็นอารมณ์ติดตัวเราแต่เอาอารมณ์ใช้ต่อเ น, นี่ยมาใช้แทนใช่หรือไม่ใช่ถึงได้มีปัญหาเนี่ยเอาสามีภรรยาทะเลาะกันเพราะอารมณ์หรือเปล่าอันนบีสั่งว่าไงาารู้ไหมสั่งภรรยาสั่งสามีอาฟูอันฮากุลยาอมินสบางนามารตันสามีเอย๋ยจงอภัยให้กับภรรยาวันละเท่าไรเจ็ดสิบครั้งเห็นทะเลาะ ก, ก็นทุกวันน่ะ เพราะอะไรอะ่ะไอ้ความรู้ที่ผ่านวะฮีะเจด็ดเจ็ดสิครั้งให้อาภายัยนี่เป็นตินวะฮีความรู้ที่ผ่านอัลลอฮ์นะผ่านนาบีมุฮัมมัดแต่เอาอารมณ์เราใหญ่กว่าคําสั่งของนบีปัญหาในครอบครัวมีไหมมีครับไม่ยอมกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นอย่างกาชาคนที่เข้าใจกุ็อ่านอัลลอฮ์อักุบะด์ฉะนั้นคนซอเหลียมจากอาย่านี้นะครับ บลตบลลหุบรอยนี่ไม่ใช่เช่ น, นั้นดอกบรรดาผู้อาธรรมอคนที่ใช้อารมณ์คือคนเลวนะ ه, ออบพวกเขาปฏิบัติตามใครออาหุมอารมณ์ของพวกเขาเองอารมณ์สั่งทําหมดเลยนะครับแต่ต่อมาครับอารมณ์นี้ใครรับรอง ใต่ตอนรับรองแต่อัลลอ์ไม่รับรองบิยรยิลเมนไม่โดยไม่มีความรู้ความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาลาผ่านวาฮีเรียกว่าความรู้ที่มีประโยชน์ส่วนอารมณ์นี่เป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เลยอัลลอ์ไม่รับรองต่อมาครับฟามัยยะตาดีมันอัลลอฮ์นี่อัลลอ์ถามนะนอกจาก ผู้ใดเล่าจะนําทางผู้ที่อัลลอฮ์ได้ปล่อยอาดล่าแปลว่าอัลลอฮ์ปล่อยให้หลงคนที่หลงเนี่ยไม่มีใครนําทางได้นอกจากใครนอกจากอัลลอฮ์อง์เดียวฉะนั้นถ้าไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยคุณไม่มีโอกาสอยู่ในทางนําที่ถูกต้องเลยเอาถ้าไม่เอาอัลลอฮ์มาอย่างเดียวเนี่ยนะ ชีวิตของคุณเนี่ยลอยนะไม่มีอะไรมาเกาะนะชีวิตไม่ไม่รู้จะเกาะอะไรอะ่ะฉะนั้นยืดอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ถามบอกว่าฝ่าไม่ยาตดีมั่นอัลลอฮ์แล้วผู้ใดแล้วมั่นแล้วว่าผู้ใดแล้วจะนำทางผู้ที่อัลลอฮ์ได้สวงปล่อยให้หลงไปแล้วนี่ถามไม่คิดใ ช, ใช้ปัญญาบางคนเดินตามอเมริกานึกว่าอเมริกาแจ๋วที่ไหนได้ <laughs> เดินตามจีนเอาเอกเอกนี่มันคนหมดเลยเนี่ยอารมณ์หมดเลยอะเดินตามเขาทำไมทำไมไม่เดินตามความรู้ที่ผ่านวะฮีล่ะหล่ออัลอบจัดนั้นความรู้ที่ผ่านวะฮีวินายูนักปีกุนอานห้มเดินเลยละเอาต่อมาครับวามาลาฮุมมินนาซิรีและสำหรับพวกเขานั้น ไม่มีผู้ช่วยเหลือถ้าไม่เอาอัลลอฮ์อย่างเดียวคนช่วยเหลือคุณไม่มีครับถ้าจะช่วยแบบก็ก็เป็นแบบแบบสายตอนนะ่ะฉะนั้นคนที่ไม่เอาอัลลอ์เป็นน้อง น, นิสัยเขาเนะเลวนะถ้าเอาอัลล์ยึดอัลลอ์นิสัยอัคราเขาจะดีแบบไซนาอะไรอาลีอดีอัลลอฮอนเห็นอย่างครับนั่นเอาความรู้ที่ผ่านวัีไม่เอาความรู้ที่ผ่านอารมณ์ทำดูเลอะ ในตับซีดคุณตบีอธิบายบอกว่าในตับซีดอิบนะกะซีดอธิบายว่ารอลามูเนี่ยคือคนมุชลิมคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อย่างมุสลิมก็ชอบไปหาโตะตะเกียไปหาตะระยองนี่บาปทั้งหมดเลยนะแล้วคนมุชลิมนี่พี่น้องที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนรู้เป่าถ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวนะ่ะอยู่ในนรกครับลออัลวาด ลูดเข้าเล่าเรื่องนรกนิดหนึ่งนะนรกเนี่ยมีอย่างครับมีแล้วแล้วนรกนี่นใหญ่ยยขนาดไหนลึกขนาดไหนนบีนั่งประชุมอยู่กับบรรดาสราบาในตีครมาดินะนะนบียังมีชีวิตอยู่นะเสร็จแล้วก็มีเสียงดังตึง้งเมืองสันอะตึง้ง น บ, บีถามว่ารู้ไหมในเสียงอะไรซอ บ, บ้าตอ ว, ว่าวะลาห์อัลลออัลลอฮเราซูนรู้ดีน บ, บีก็ตอบนี่คือเสียงที่มีก้อนหินก้อนหนึ่งถูกโยนลงมาจากปากเหวนรกเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วเพิ่งมาถึงก้นเมื่อกี้นี่เองนี่ความรู้อย่างนี้นะใครให้อะถ้าอัลลอฮไม่บอกนะ ฉนันว่านรกเนี่ยลึกหรือไม่ลึก โ, โ, โยนหินตั้งแต่ปากปากอะไรนะปากหลุมนรกเมื่อเจ็ดสิบปีนบียังไม่เกิดเลยนะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เนี่ยดังตึง้งนี่แหละก้อนหินถึ่งมาถึงก้นของนรกอาววาดนึกเองอ๋อแสดงว่านรกนี่ใหญ่น่าดูเลยท่านท า, านทั้งโลกดีจะไปนระกหนําจุไม่จุครับ นรกพูดได้พูดอย่างนี้เป็นแล้วอัลลอ์ถามนะถามนรกในกรณีกาฟีกุรอานนะ ฮ, ฮัลมินมาซีดฮัลมินมาซด น, นรกตอบอัลลอฮ์ถามอย่างนี้ฮัลิมตล ะ, ะนรกเต็มยังนนรกตอบเองนะครับอัลลอ์ให้ตรกพูดได้ในวันเกยรมะนรกตอบบอกว่า ฮัลมินมาซิตมีคนชั่วเพิ่มอีกไหมอ่ะอามาได้เลยสามารถบรรจุได้ตลอดเวลานี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองไฟนรกเนี่ยนะมีหูสองหูมีตาสองตาแล้วก็มีลิ้นพูดได้ด้วยเวลาเห็นคนกาเฟสเนี่ยมันร้องเลยอ่ะร้องฮื่ม ร้องเลยครับอยากจะขมือไปคนนี้อันนี้นรกอันจ อ, อดจาอาไว้อ่ะเห็นคนกาแฟเห็นคนมุสริกเนี่ยหืมเสียงอะไรนะเสียงไหมเสียงการโหมของไฟเนี่ยก็ฮึมขึ้นมาเลยในเรื่องที่สองเรื่องที่สามนะครับนี่เป็นหาดีของท่านนาบีนบีสอนบอกว่านารกนี่นะครับพูดบอกว่าฉันเนี่ยถูกมอบหมายมาให้เล่นงานคนสามกลุ่ม กลุ่มไหนบ้างครับกลุ่มที่คัดค้านกลุ่มที่ต่อต้านแล้วก็ดูถูกเหยียดตยามศาสนาอาิสลามโฮโฮโฮอันใครที่ดูถูกเหยียดตยามศาสนาอาิสลามเอ็งเตรียมตัวไว้เถอะนรกบอกว่าฉันนี่ถูกมอบหมายให้เล่นงานให้จัดการกับคนกลุ่มนี้เรื่องที่สองนะครับพี่น้องคนที่ กราบไหว้จวเจวิตคู่กับอลร ะ, ละหรือไม่เอาเอรรถเอาจวเวิตอย่างเดียวคนกลุ่มนี้นรกถูกมอบหมายมาให้จัดการให้เล่นงานกับคนเหล่านี้แต่วันนี้ยังหรอครับนุ่นตายไปก่อนฟื้นขึ้นมาถึงจะเจอกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ปั้นวเวิตแล้วก็บอกให้มนุษย์กราบ โอพูดแยงมากก็ไม่ได้เ <c oughs> นี่ยเล่าให้ฟังนะเป็นฮะดีสของอิมามติสมีดีอัลฮัมจนแล้วนรกพูดได้ไหมพูดได้ครับแต่วันนี้ยังพูดไม่ได้อ่ะทีนี้ขอเล่าอีกนิดนึงนะชาวนรกกับชาวชาวสวรรค์นะครับนรกนี่กับชาวสวรรค์เนี่ยโอ้โหตา่างกันอย่างกับฝ้ากันเถวเลยอะเอาคนเอาชาวสวรรค์ก่อนนะเราเรียนผ่านมาแล้วนะหนึ่รูปร่างของชาวสวรรค์รูปร่างแบบสูงแบบใครนะ แบบนบีอาดัม62ศแล้วก็ความหลอแบบนบียูซุฟอลฮิสลามและอายุเท่ากับนบีไอซาอลฮิสซาลามแล้วก็ภาษาพูดภายรอบแบบนบีดาวูดอลลฮิสลามหัวใจที่นิ่มนวลอ่อนโยนเหมือนนบียูนุส อ, อัลลอฮิสสาลามอัครากเหมือนท่านนาบีมุ h ัม m a อัลลออะบดุลสงางงามมากครับเอามาดูชาวคนชาวนารก เรื่องร่างกายอย่างเดียวนะชาวนารกไปนองครับแค่ฟันของเขานะดอตซุนสาสตร์เรียกว่าฟันกรามเนี่ยเท่ากับภูเขาอฮุธอา้าใครอยากไปนระกเชิญประการที่สองหัวไหลเนี่ยหัวไหลนี้กับกับหัวไหลนี้นี่นะใช่มา้าหรือพยานอภาระชนะ อะไรนะไอรถอรได้กระโดมหรือม้มมา ก, ก็ได้วิ่งสามวันจากหุ่นไหลนีล้ถึงหัวไหลนี้เห็นอย่างครับนี่ฮันย์ยึดอีมา ม, มุสลิมนะ <intended. S 1> เรื่องที่สามผิวหนังของคนชาวนรกเนี่ยหนาข น, นาดไหนเดินสามวัน <c oughs> ผมถามใครคนหนึ่งก็บอก ว, ว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพเชียงใหม่เดินเดินสามวันน่ะแสดงว่าหนังเนี่ยหนามาก นั่นค่ะที่ใครมา穆斯林นะครับข้อที่สี่นะครับพี่น้องตัวใหญ่มากใช้ที่นั่งเนี่ยตั้งแต่นครมักกะถึงมาดีนะเนี่ยต้องใชท้ที่คนเดียวมานั่งอใช้ที่ประมาณสี่รอยกับสิบกิโลเมตรอะไรต่างพวกนี้เลยจากมักกะมาดีนะข้อที่ห้าเนี่ยติงหูนี้กับหัวไหลของเขาเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณเจ็ดสิปีนี่บาฟังเรื่องอย่างนี้แล้วล้ออะรับาง จะทรอยด์อัลลอฮ์ทำไมจะปฏิเสธสุ น, นัขนบีทำไมพี่น้องอไนอ้หัวไหล่นี่พี่น้องครับมาจากาฮัดยุสอบูน่าอิมฟิลเฮเลียเป็นฮัดยุทั้งหมดที่ผมเช็คมานะครับว่าร่างนริลล์นั่นร่างของคนชาวนรกกับร่างของคนชาวสวรรค์ต่างไหม อ, อัลลอฮ์พี่น้องใครจะเลือกไปใสวรรค์ก็เรียนศาสนาสนใจศาสนาใครจะไปนรกก็ทิ้งศาสนาไป ก็ใช้ชีวิตแบบใช้อารมณ์ตัวเองนนี่ยเบี่ยงเบนเรีนเป็นอารมณ์ที่อัลลอ์ไม่ได้รับรองด้วยครับเอาต่อมาครับอายะที่ส0มสิบฟาอัคิมวาจฮะกาลิดดินิฮนีฟาฟิตรัตัลลอฮิลลัติฟาตรอนนัส ع ل ي لا تبدل لخلق الله ذلك الدين ا ل ق ا م ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحمد لله ف أ ق ِ م وجهك لدين حنيف ا ف ط ر ة َ الله التي فبر الناس عليها ลาตบดีลัล خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ل ล يعلم ا ل ح م ล لله พี่น้องอัะนี้บอกว่าอย่างนี้นะสรุปนะคง่ายก่อนนะเด็กทุกคนที่เกิดมาลูกๆเราที่เกิดมานี่นะเท่าทวโลกด้วยนะ พร้อมที่จะรับอิสลามไม่มีใครต่อต้านอิสลามนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสัญญาฉบับแรกที่วิญญาณเราก่อนจะมาเข้าอยู่ในร่างบนดุงจานทําทำสัญญากับอลัลลอ์ไว้แล้วทาว่าไงอลัลลอม์มีสัญญาฉบับที่สองฉันจะไม่ทำชีริกต่ออลัลลอ์ ที่พอมาอยู่บนโลกดุรยาใบนี้เปลี่ยนแปลงใครทำให้เปลี่ยนแปลงพ่อกับแม่เนี่ยอัลลอฮ์เตือนนะเด็กทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้พร้อมที่จะรับอิสลาม ว, ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเอาดูครับอายาเนี่เตือนนะครับเตือนว่างไงนะฟะอาอักิมวาจากาลิดดีนิฮานีฟาอัลละฮ์บอกคำ น, นบี ม, มุฮัมมัด ให้เยบบรีนมามาสอนสอนว่าไงฝ้าอากิมอากิมแปลว่าจงอะไรนะจงมุ่งหน้าหรือจงหันหน้าจงตั้งหน้าได้หมดเลยจงมุ่งหน้าจงผินหน้าจงหันหน้าหันหน้าไปไหนครับวาชรค้าหน้าของท่านทําไมพูดแต่หน้าตัวหนพูดถึงตัว พอหน้ามันมาแล้วเดี๋ยวตัวต้มก็มาเองนจะไปมองหันหลังอย่างงี้ไม่ไหวไมันเยอะปวดคอใช่ไหมเอาเล่าว่าเอาใบหน้าของคุณน่ะมุ่งตรงไปหาใครครับลิเ ด, ดียนยังเข้าหาศาสนาก่อนเอาใบหน้าของคุณนั้นสนใจศาสนามุ่งตรงอยู่กับศสาสนานะครับมั่นคงอยู่กับศาสนาศาสนา ศา ส, สนานที่อัลลอ์รับรองศาสนาอิสลามอายะไนอินนัดีน่อินดัลลอฮิลิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนานใครเป็นเจ้าของอัลลอ์เป็นเจ้าของคำว่าอิสลามอธิบายยังไงต้องรู้จักอัลลอค์องเดียวต้องเรียนสิฟงตร์อัลลอ9เกาพนามเรียนให้หมดแล้วก็อย่าทำชิริกนีกหลายเรื่องใหญ่ไม่อยู่ตรงนี้ฉะนั้น มุ hammad เอ๋ยได้ก็บอกกับนบีนะเราบอกคนที่อ่านกุณอ่านนี่นะดังนั้นมุ h ม m m a d เอ๋ยและผู้อ่านกุณอ่านทุกคนจงตั้งหน้าของสูรเจ้านะครับเพื่อปฏิบัติอยู่ในศาสนานี้ศาสนานี้ฮันนีฟะฮันีฟแปลว่าศาสนาที่เที่ยงแท้หรือดั้งเดิมฮันนีฟในแปลว่าเที่ยงแท้หรือแปลว่าดั้งเดิม ทำไมต้องเอ่ยคําว่าดั้งเดิมเพราะนบีใครนบีอะไรนบีอิบรอฮิมเห็นไหมอิสลามนี่มันโยมกันหมดเลยนะฉะนั้นถ้าสนใจศาสนาอิสลามผ่านนบีมูฮัมหมัดคุณได้นบีอิบรอฮิมด้วยเห็นยังคุณได้นบียูซุปด้วยคุณได้นบีมูซาด้วยได้นบีอิสซาด้วยได้นบีอีก24นบีน่ยได้หมดเลยะดีหรือไม่ดีแล้วก็บรรดานบีที่มาในโลก ที่มาในโลกนี้เราสอนอะไรก่อนสอนเรื่องเตาไฮดก่อนทำด้วยเลือดไปเนาะทท่านพ่อแม่วันนี้ต้องสอนลูกให้รู้จักอนะัลลอฮ์นอะนั่นมารยาทอัคราของท่านนาบีเนี่ยเวลาเราเจอหน้ากันเนี่ยทำไง ย, ยิ้มก่อนแล้วก็สลามแล้วก็จะสอนให้สวัสดีก็ <c oughs> อสอนกันไปเยอะแล้วนะ่าเตียนใหม่สอนให้ลูกๆเราเนี่ยกล่าวสลามเหมือนใครเหมือนวะฮีที่อัลลอฮ์ ส่งมาให้ความรู้ที่ผ่านนบีมุฮัมมัดสลลัยวะสัลลัมฟาอัคิมวาจาการีดีนี่นีดังนั้นมุฮัมมัดนะและคนอ่านกูรอ่านจงตั้งหน้าหรือมุ่งหน้าหรือหันหน้าหรือผินหน้าของสู่เจ้านะครับไปไหนครับไปมุ่งสู่อัลอิสลามอัดีหมายถึงศาสนาริ religion นะ คานิฟาศาสนาที่ดั้งเดิมศาสนาที่เที่ยงแท้มาจากนาบีอิบรอฮิมละฮิสลาหตามนาบีมูฮัมหมัดได้นบีหมดเลยเห็นยังถ้าไม่เอานาบีมูฮัมหมัดปฏิเสธนบีทั้งโลกหมดเลยเอัลกัตฮุนหรือปเปล่าอัลลอฮฺอัลกบะด์ตัต่อมาครับฟิตรอตัลฟิตระแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเป็นของใคร คำตอบเป็นของใครอ๋อลลเห็นอย่างรครับนี่คือเรียนอ่านกานุณอานแล้วได้ความรู้เต็มเลยลองไปถามนองมุสลิมเนี่ยนะธรรมชาติครายคุมไม่ใช่เกิดเองใส่นั้นไม่ไดไ้แล้วพูดเข้าหูมุสลิมทุวันทุวันเราก็เพียเ้ยนเหมือนกันนะ่ะแต่เจอครูจะ่สอนในชั้นธรรมชาติเกิดมาเองดวงอาทิตย์เกิดมาเองแผ่นดินเกิดมาเอง พูดข้าหูทุกอาทิตย์เลยเน่เพราะว่าเลือกรุงเรียนสามันที่ไม่เอาคอมุสลิมไปอยู่สักคนหนึ่งแล้วเป็นไงครับเพี้ยนฉะนั้นฟิตรอตินลาฟิตรอตัลลอธรรมชาติเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์รอบเป็นเจ้าของให้ยังครับเอาต่อมาครับอัลลอติอัลลอรอบเป็นผู้ที่ฟาตอรอนาสอะไรฮะฟาตรอไปวาสร้าง อ น, นุษมนุษย์อะไรฮะอยู่บนธรรมชาติอันนี้อยู่ในฟิตรอบนี้อันฟิตรอบแปลว่าอะไรเป็นองฟิตรอบแปลว่าธรรมชาติอธิบายอย่างนี้ศาสนาอิสลามเป็นฟิตรอบศาสนาอิสลามศาสนาผ่านนบีอิบราฮิมผ่านนบีนวัวนบีมุฮัมมัดนบีมูซาอิสาเป็นฟิตรอบเป็นศาสนาดั้งเดิม มาจากอัลลอผ่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮุสซลาฮเป็นฟิตทร์ฉะนั้น伊斯兰น า, า้น i s l a เป็นศาสนาดั้งเดิมตั้งแต่สร้างโลกใบนี้มาอัลลอให้อิสลามมาคู่กับโลกใบนี้เรื่องที่สองอธิบายอย่างนี้ชั้นฟ้ากับดวงกระจันดวงอาทิตย์เนี่ยห่างกันเท่าไหร่เก้าสิบเท่าไรผมก็ลืมไปแล้ว <c oughs> ถ้าหากว่ามันใกล้กันอีกนิดหนึ่งอยู่ได้ไหมไม่ได้ร้อนระเบิดไหมถ้าห่างไปนิดหนึ่งเยน็นแข็งตาอกีกนี่เป็นฟิตรอสอันยังครับกูนั่งคุมหมดเลยอนะ่ะฉะนั้นฟิตรอสตลองรธรรมชาตินะ่ะเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ควบคุมแต่เพียงผู้เดียวและอัลลอฮ์ก็สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในธรรมชาตินอนี้คือยอมรับว่าอัลลอฮ์มีจริงแต่พ่อแม่ต่างหาก พ่อแม่เนี่ยเกิดลูกคนนี้เกิดมาบในบ้านของใครถ้าในในบ้านของคนที่เอาศาสนาะก็เป็นมุสลิมแบบง่ายได้ถ้าไปเกิดในบ้านที่ไม่เอาศาสนะนาแอนตี้อิสลามนรกว่ากูเห็นหน้าเอเอาแน่นละยใช่ไหมนี่ถ้าอ่านกุรานอ่านทั ด, ดีแล้วโอ้ต่อฮมดลิลเขาใจตัวลงว่าฟิตรอใครเป็นเจ้าของธรรมชาติเนี่ยอลัลลอ์เป็นเจ้าของ ฟิตรกับกุเจรตุลลอไม่เหมือนกันนะธรรมชาติเนี่ยอัลลอ์วางไว้แต่กุเจตุลลอน่ความสามารถของอัลลอ์เหนือกวธรรมชาติเช่นอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในสี่แบบใช่แบบที่หนึ่งนบีอาดัมนี่เป็นกุเจรตุลลอนะมีพ่อไหมไม่มีมีแม่ไหมไม่มีสองสร้างสร้างโตฮาวะโตฮาวเนี่ยผ่านอะไรผ่านสีโคง น, นี่เป็นกุเจรตุลลอ สร้างนบีอีซาผ่านใครผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อนีกุฎรรถุลลอสร้างพวกเราวันนี้น่ะมาจากน้ามาสูจีอันนี้เป็นฟิตรัตุลลอสามรายการนั่นม่ใช่ฟิตรัตุลลอเป็นกุฎรรถุลลอต้ออธิบายว่าคุณได้เอามาจากมัลลาร์นี่เนี่ยภาษานี้เนี่ยนะนั่งคุยกับท่านเพื่อนกันฟิตรัตุลลอกับกุฎรรถุลอไม่เหมือนกันเราก็ต้องแยกแยะถ้าฟิตรัตุลลอ อัลลอฮ์เป็นเจ้าขอฉะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี้เกิดมาในฟิตรตุลลอเดิมเกิดมาแล้วรู้จักอัลลอฮ์พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเข้าใจเรื่องอิสลามแบบง่ายได้เข้าใจนะอ่ะต่อมาครับละตาบดีลลิขอลกลละตาบดีแปลว่ า, วาเปลี่ยนแปลงอัลลอ์ละแปลว่ า, วาไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขลอกินละการสร้างของอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนครับยกตัวอย่างตั้งซีอธิบายอย่างนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้ทางทิศ ต, ตะวันออกและตกทางทิศ ต, ตะวันตกอลัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนครับไอจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเมือไหร่ตอนไหนตอนไกลๆจะวันเกี่ยมาให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกแทนนั่นเป็นเครื่องหมายว่าใครจะเป็นมุสลิม ใครจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจับตาบ้าอัลลอฮฺไม่รับแล้วตอนนี้ยังให้โอกาสอยู่นะดวงอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศนี้อยู่และตกทางทิศนี้เองตาบ้าตัวซ่เรียนศาสนาซา่ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะ ว, วันตกมาเลยหมดสิทธิ์แต่เป็นคนดีฉันไม่รับแล้วเพราะอัลลอฮฺเป็นเจ้าของอ่ะืมล่าตับดีแล้วเรีคอลลินแล้วการสร้างของอัลลอฮฺไม่มีการเปลี่ยนแปลงสร้างผู้ชาก็เป็นผู้ใช้ สร้างผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแต่วันนี้มันกลับไปแล้ว <c oughs> จะอัลลอฮ์สร้างผู้ชายจะเป็นผู้หญิง <c oughs> สร้างผู้หญิงจะเป็นผู้ชาย <c oughs> ระวังระวังระวังแล้วอัลลอฮ์สร้างมานะ้าสวอยู่แล้วมีหูมีตามีจมูกเอ๊ะดัดใหม่ขอโทษมุสลิม่าคิวระวังนะอย่าโกนนะ <c oughs> เอ๊ะกระทบเรื่อย <c oughs> นี่อลัลลอฮ์วางไว้หมดแล้วกฎตะรตุลลอห์ฟิร ต, รตรตระตุลลอห์กฎธรรมชาติอัลลอฮ์วางไว้หมดแล้วนะละต่บดี้เราเรกคากินแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮ์ฉะนั้นดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์กับโลกห่างกันอย่างนี้อย่างนี้นี่อัลลอฮ์วางกดไว้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเอาถ้าเปลี่ยนแปลงใครลําบากมนุษย์ทั้งหากันลําบากถ้าโลกห่างกับดวงดวงอาทิตย์ไปห น, อน่อยนึงเย็น ร้อนเข้ไอนิดหนึ่งร้อนกายไปนิดหนึ่งร้อน น, น, อ น, นี่เห็นอย่างครับเอาล็อความโกรธไว้นะครับเอาต่อมาครับซาลิกดัดนุลกอยิมนี่แหล ะ, อ, ะอย่างนี้แหละอดีนเป็นศาสนาที่กอยยิมที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นฟิตรอที่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าศาสนาก็ได้ ดวงอาทิตย์ดวงจันโคจรห่างกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นฟิตรสธรรมชาติเป็นดีนเป็นศาสนาเป็นลัทธินะครับเป็นอะไรเป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเอาต่อมาครับวัลลกินอัคสารอนลากินแต่ว่าอักษรแปลว่าส่วนมากมนุษย์อันน่าจะว่ามนุษย์ลายาลมูนไม่รู้ ไอเรื่องที่มาจากอัลลอฮ์น่ะไม่เคยรู้เพราะไรเพราะไม่ได้เรียนเพราะว่ามีบางกลุ่มใส่ร้ายว่าอย่าไปเรียนนาะอิสลามน่ะพวกกอกา ร, ร่าไอันนี่ก็กลัวแล้วรวมไปถึงเด็กอะไรนะ่ะผู้หญิงที่อยู่ในซาอุดีบอกว่าประเทศไทยแล้วก็ทําไมยะฮูดีต่างชาติทำไมต้อนรับให้เกลียดกันเหลือเกินนะ่ะใครที่ทําลายอิสลามเขาชอบ ใครที่ขวางอิสลามและใครที่ต่อต้านอิสลามอัลลอฮนบีนรกพูดเองใช่ไหมฉันเนี่ยส่งมาให้จัดการกับกลุ่มที่ต่อต้านอิสลามทั้งหมดไม่ใช่วันนี้นะตอนไหตายก่อนเราฟื้นขึ้นมานารกจะกขมเหมือคนเรานี่แต่วันนี้เห็นไหมพอเราเห็นป้าโอ้รู้เลยใครที่ขวางอิสลาม ยิ่งเป็นบ้านมุสลิมที่ทิ้งอิสลามฉันต้อนรับมาเลยมามาม า, ม า, มาอยู่กับฉันนี้แล้วก็กินหมูให้เห็นด้วยนะโชกัยเหตุเหตุหยังครับอิสลามดียังไงไม่ดีถ้าดีจะทิ้งเหรอนี่มาเยเอากะชามือมุสลิมทําลายอิสลามด้วยกันเองนะครับเอาต่อไปพี่น้องฟาอิกิมวัชฮาก้าเนี่ยตัปซิดอ ธ, ธิบายว่าจงตั้งหน้านะครับสู่รายงานะจงตั้งใจของท่านให้สะอาดสอง จงเรียนศาสนาแล้วก็ปฏิบัติศาสนาให้ถูกต้องเขาว่าอากริมวะยะฮนี่นะตัอสดอธิบายดีแล้วก็ส่วนฮานีฟ้าเนี่ยมีความหมายอยู่ประมาณ5รายการความหมายที่หนึ่งก็คือท่านยะอธิบายว่ามุสลิม อ, อัดดีนฮานีฟเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นมุสลิมนะอันที่สองมุคลิสคนที่มีหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่อ a l l อันที่สามมุตตะเบีนคนที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ละรสูลแล้วก็มุสตะกีมันผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในอัลอิสลามแล้วก็ข้อที่ห้ามุมินันบิลรุสูลศรัทธาว่ารสูลทั้งหมดที่อัลลอฮ์ส่งมาเราศรัทธาหมดเลยครับครับอายาที่เท่าไหร่เนี่ย อายที่สามสิดทลมุน و <و ีบินะอิไลห์วัดตะคุว่ากิมุสซาลาวลาตะคุนูมินัลมุชริกนมนีบินะอิไลห์วัดตะ وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين ัลฮั م ด ولله อันนี้ตัวใครตัวมันทา ง, ทางคกันเองนะ <c oughs> อลอลสั่งนั่ก็ให้ยึดมั่นในศาสนาตัวเองจะรอดต้องมีสี่รายการ ต้องมีสี่รายการต้องปฏิบัตินะหยุดไม่ได้ข้อที่หนึ่งมูนีบีไอไลอแปลว่าจงเป็นผู้หันสู่กับเนื้อกับตัวทำไมเริ่มตั้งตัวการกับเนือ้ออินาบ้าแปลว่าเตาบ้าตัวนะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในทางที่ผิดๆนะเยอะอัลลอ์เตือนนะมูนีบีนอยเลและจงเป็นผู้ที่หันหน้าหรือหันสู่หรือเชื่อฟังอัลลอฮ์ถ้าหันหน้ามาหาอัลลอ์เนี่ยถ้าว่าคุณเชื่อฟังอัลลอ์คุณปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอ์แล้วเรื่องแรกนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทํทำอะไรก่อน ให้หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ก่อนถ้ามีความผิดให้เตาบ้าตัวก่อนดีกได้ไม่ดีครับเห็นอย่างครับอิสลมมามเนี่ยุณอ่านสอนดีมากเลยนะเพราะทุกคนมันมีความผิดตลอดไปนะ้องจะนี่ก่อนที่จะเป็นคนดีเนะี่ยทำอะไรก่อนหนึ่งให้หันหน้าเข้าหาศาสนาก่อนเรียกว่าหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ถ้าเป็นคนชั่วก็เตาบ้าตัวซะ ถ้าเป็นคนมุชลิกตั้งภาคีทิ้งจวเวกกรทิ้งตตะเกียร์กรตัวระยองโยนโยนโยนโยนไปก่ต้องอาสิมัดโยนไปก่รตุ้งตะกุดโยนไปก่อ น, อ น, อ น, น, อนทิ้งกรเป็นอย่างมูนีบีในไรต้องเป็นผูท้ที่หันหน้าเชื่อฟังปฏิบัติ ต, ตามอัลลอฮ์โอ้นเรื่องที่หนึ่งจะทําให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์เรื่องที่สองครับ วัตคุและจงระวังตัวเองอระวังตัวเองพี่น้องครับอาจารย์ดีเด็กแปลว่าสำรวมจงสำรวมตนนะครับต่ออัลลอฮ์อย่าทำบาปอัลลอฮ์นี่คุณบ้านนิกาเนี่ยนะอิตตะกุลลอห์น่ะสามอายาพูดนะสี่ขั้งจงกลัวอัลลอฮ์นะ จงกลัวอัลลอ์ผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงต้องกลัวอัลลอ์เยอะๆแล้วก็ต้องรับผิดชอบดูแลนี่อัลลอฮ์สั่งนะอิศตะกุลลอเวลาคุณให้เงินภรรยาให้บ้านภรรยาให้ไรนะให้นาฟากภรรยาแล้วก็ให้ภรรยาจัดอาหารให้หงเงินเราทั้งหมดนะอย่าด่าภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาต้องกลัวอัลลอ์ด้วยในเรื่องที่หนึ่ง เรื่อ ง, งที่สองพระยาเองก็เหมือนกันมีนหน้าที่จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหนึงดูแลบ้านในสะอาดูแลลูกให้ดีเอาใจสามีซักเสื้อให้สามีใส่ทำอาหารให้สามีทานแบบสรยนาอ ม, มัติอธิบายเอาไว้ให้กลัวล้อตรงในเรื่องนี้ท่านอิศตะกุลโลเนี่ยเข้าไปทุกทุกส่วนของชีวิตเลยเรื่องการพูดก็ต้องนึกถึงอโลอ ก, ก่อนอย่าพูดอะไรอย่าด่าคนอย่านินทากคน เพราะต้องนึกถึงอัลลอฮ์ อ, อลัลลอฮ์ทรงเห็นทรงมองทรงได้ยินทรงรู้ทรงส่งมุลัยกามาบันทึกข้อความทั้งหมดต้องนึกตลอดเวลาครับเรื่องที่หนึ่งอะไรนะมูนีบีในใจตั้งหน้าตั้งตาหันมาสู่อลัลลอฮ์ก่อนถ้าจะเป็นคนดีข้อที่สองให้กลัวอลัลลอฮ์บางคนเข้าหาอลัลลอฮ์แต่ไม่กลัวอลัลลอฮ์มีไหมมีกลัวมนุษย์แต่ไม่กลัวอลัลลอฮ์ไม่แข้งใจอลัลลอฮ์เลยไปนองเรื่องที่สาม ฝากอัครีว่าอัครีมุสลิมลและจงดำรงไว้เรื่องการนามาอ Allah พี่น้องครับงานศาสนาอิสลามนี่นะมันงานที่ดีทั้งหมดและไม่ได้อึดอัดไม่ได้ยากเลยพี่น้องนามาให้ครบเวล a เกี่ยวเวลาห้าเวลาเก็บนามาส่วนนุ่งสุวนหนัดเก็บให้หมดพี่น้องนามาดูฮะเก็บพยายามนะนามาตะฮัดยุตเก็บนามาสุวนหนัดอื่นๆเก็บให้หมด วันหนึ่งสิบรอกอัดหรือสิบสองรอกอัดมีสองสามสองรายงานก่อนนมาซูโบเนี่ยนักเรียนไม่ได้นมาสมาสุสนัตก่อนนมาซูโบน่ะเพราะตื่นไม่ค่อยทันบางคนก็ทันบางคนไม่ทันนักเรียนหญิงก็ดีนะมาก่อนเวลานี่ยตั้งชั่วโมงมาที่มัสยิดนมาฮยุดกันเปล่านมาสมาดนะห้ามเลยเลาเราดีใจผมก็ตื่นมาพร้อมเทอหน่าละ กดกระดิ่งกรยินถึงบ้านผมด้วยเอาทีนี้ตัวลง่า จ, จะเป็นคนดีหนึ่งให้หันหน้าเข้าหาอัลลอ์สองให้กลัวอัลลอ์อันที่สามอะไรจงรักษานามาให้ครบวันละห้าเวลาแล้วก็ผู้ชายนามาที่ไหนที่มัสยิดผู้หญิงนามาที่บ้านแต่ถ้าผู้หญิงจะมามัสยิดต้องขออนุญาตสามีก่อนนบเบสักอย่าห้ามกูนะ่อก็ไ ข้อที่สีวาลาตะกูนูมินัลมุชริกีนและจงอย่าอยู่ในหมู่พูดตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์เรื่องที่สีเนี่ยอัลลอฮ์สอนหนักนะอย่าเมื่อกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วกลัวอัลล์แล้วนมาดแล้วอย่าเดินตามคนมุชลิกคนมุชลิกไปไหนล่ ะ, อะเอาเอาัลมุสลิมเด็กกันนะ ไปหาตัวตะเกียรพอมีปัญหาปั๊บไปหาตัวเดยองไปหาหมอดูจะแต่งงานลูกนะเชื่ออลัอลลอ์กลัวอัลลอแ์่ไปหาหมอดูรักกันแล้วนะให้หมอตัดสินว่าจะเอาวันไหนนี้กะแล้วหมอคนนี้มันอยู่กับสายยาสา์อยู่กับชายตอนน่ะต้องเก้าโมงเก้านาทีต้องเก้านะจะนำมาซึ่งประกาศใครบอก บรการใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ควบคุมบรัการเอาไว้ฉะนั้นถ้าจะเอาบรการต้องเดินตามสุนนะนบีเดินตามคาสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอี่น้องมุนีบินีนะครับแปลว่าอะไรนะหันหน้าสู่อัลลอฮ์ด้วยจิตใจที่นอบน้อมนะครับสองจงกลัวอัลลอฮ์องเดียวอย่าทาชั่วอา่า วัตกุุออันที่สามจงดงรงไว้ซึ่งการนามาตว่าละห้าเวลาให้ครบผู้ชาต้องพยายามรักษานามากัะจมาอัตมัสยิดข้อที่4ีและจงอย่าทำตัวเหมือนคนมุชริกนะครับ <c oughs> อย่างเด็ดขาดตัวเราว่าจะเป็นคนดีต้องมีกี่รายการนะ <c oughs> สี่รายการเน้นข้อสุดท้ายอย่าทำตัวเป็นคนมุสริกนรก คนที่ตกนรกอยู่นานๆนานพี่น้องหนึ่งมุสริกสองกาฟเฟตสามมุตตัดคนที่มารับอิสลามแล้วแล้วก็ทิ้งอิสลามไปนรกตลอดกาลมุนาฟิกหน้าไหว้ลังหลอกแล้วก็อาลุลกิตาบที่นบีมุฮัมมัดมาแล้วปฏิเสธนบีตำหนินบีด่า น, นาบีต่อต้านนาบีอยู่ในนรกหมดเลยครับ โมคอนลาดูนฟินนาร์โมคอนลาดูนฟินนารตลกตลอดหนึ่งมุชริกสองกาเฟสเห็นยังพี่น้องนี่กุณอ่านทั้งหมดเนี่ยนะมันจะผมพูดเองนะกุณอ่านอนธะิบายไว้คนกาเฟสอยู่ในนรกคนมุชริกอยู่ในนรกคนมุตตัดอยู่ในนรกกุณอ่านทั้งหมดครับโมนาฟิกอยู่ในนรกแล้วก็ข้อสุดท้ายอะลุลกิตาบอยู่ในนรกนี่เป็นฮะดิษครับ มันทำตัวให้ปลอดภัยดีกว่าใครอยากหนังหนาเดินสามวันเชิญหนังช้านารกกันหนาเท่าไรเดินสามวันมีคนถามนาบีว่าทำไมต้องหนาละ่ะก็มาทำบาปไปเยอะทั้งชีวิตมันไม่เคยทำดีเลยอะ่ะไม่เคยทำอะไรให้อัลลอฮ์พอใจสักงานหนึ่งทั้งชีวิตมันเลยมันทำให้หัวหน้าพักคการเมืองคนนี้พอใจมันทำงานให้คนนี้พอใจให้คนนี้พอใจไม่ถึงอัลลอ์สัก สักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณเนี่ยเห็นอย่างครับขนาดอลลอฮ์ทดสอบให้ระอองมาเนี่ยฝุ่นใช่ไหมอ่าก็ยังเฉยเฉยสึนามิมาก็เปลี่ยนแปลงไปหลายคนนี่ระอองมานี่ยนะฝุ่นฝุ่นฝุ น, นเนี่ยก็กกเ็ทั้งหมดอลลอฮ์ทดสอบทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เกิดมาโดยความบังเอิญ น, นะพี่น้องไม่มีบังเอิญครับเอาต่อมาครับระยะสุดท้าย مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ مِنَ َّ ذ ي ن َ فَرَّقُوا د ِ ه ُ م و َ ك و ش ِ ع ً กุลุพิษบิบิมาดายิหิมฟาริฮุน alhamdulillah อายะสุดท้ายพี่น้องครับ32องายะนี้อัลลอฮ์นี่นะทำนะทำนะจะแบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มมนุษย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มเฉพาะศาสนาอิสลามอย่างเดียวเนี่ย อิสลามที่นบีอัมัดนำมานี่นะจะแบ่งออกเป็นเท่าไรนะ73ยัฮูดีกับนสรซลีนะ่ะ71กับ72แต่มุสลิมเนี่ยเท่าไร73นี่อร้อนเล่าแล้วก็ทุกๆ ก, กลุ่มเนี่ย73กลุ่มนี่นะพวกเขาเพลินสนุกพอใจกับกลุ่มที่เขาอยู่ ทุกกลุ่มพี่น้องขยวกลุ่มไหนก็ตามนะครับเขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาสนับสนุนแล้วก็นึกว่าทำถูกต้องแล้วเอาล้อให้ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มมีคนถามนาบีว่าแล้วก็กลุ่มที่ปลอดภัยที่สุดนนกลุ่มไหน นบีตอบครับมาอาณาอาไลฮิวาอัชฮะบีทินะบีพูดเองนะเมื่อหนึ่งันสี่ร้อปีนะมีทั้งหมดเจ็ดสิบกว่ากลุ่มเจ็ดสิบสามกลุ่มเนี่ยถามว่าแล้วกลุ่มไหนล่ะที่รอดเดียวมีอยู่กลุ่มเดียวเห็นไหมจากเจ็ดสิบสามกลุ่มที่รอดมีอยู่ยกลุ่มเดียวกลุ่มไหนครับมาอาณาอาไลฮิที่ฉันนําเอาความรู้าศาสนามาให้คุณ ที่ชันปฏิบัติในวันนั้นเป็นศาสนามวเลนนั่นรอดแล้วก็วาอัสฮาบีและบรรดาสวาบะที่ปฏิบตัติตามฉันในยุคนั้นรอ ด, ดนะพี่น้องถือว่าใครที่เอาความรู้ใหม่ๆมานะครับแล้วก็ไม่ได้เอาสุนนะนบีมาใชา้สวาบะานบีทิ้งไปเลยสองกลุ่มนี้พี่น้องอัลลอฮ์เาราสูน นบีสฮะบะปฏิเสธแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาอ้างว่าอิสลามอิสลามอิสลามอิสลามก็หมดนั่นแหละพื่น้องนบีไม่รับรองนะท่านนบีไม่รับรองปลอดภัยหรไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภยัดภยครับจานั้นมาอาณาอะไลฮิวะอัลชาบีกลุ่มที่รอดก็คือกลุ่มที่ยึดสุนัขนบีและยึดสฮาบะเป็นแบบมาดูกุรานนะครับมินัลลัลีนับฟรักูมินเบวา จากอัลลอฮฺนี่นะแปลว่าบรรดาผู้ที่ฟัรรกูฟัรรกูแปลว่าแบ่งแยกฟัรรกูนี่แปลว่าแบ่งแยกอัลลอฮฺอักบัรในส่วนบรรดาผู้ที่แบ่งแยกดีนะฮุมศาสนาของพวกเขาอัลลอฮฺอักบัรศาสนาของของเขาเองอ คนที่แยกไปตั้งกลุ่มใหม่กล <nella refreshing> ุ่มใหม่กลุ่มใหม่ก็อ้างศาสนาทั้งหมดฉันทำเพื่อเอาล่อเพื่อเอาล่อเพื่อเาล่อเพื่อเอาลอกันหมดวากานชิยาพวกเขาแตกออกไปเป็นอะไรนะนิกายชิอาแปลว่านิกายชอแปลว่านิกายแปลว่ากลุ่มชิยานเป็นภูพจน์ถ้าชยาตเนี่ยเป็นเอกพจน์ชยานแปลว่าหลายๆกลุ่มหมายถึง เป็นนิกาเล็กๆไม่น้อยแตกกันไปแตกกันไปแตกกันไปแตกกันไ ป, นไปาเอาลอดพอใจไหมเอาลอดไม่พอใจแต่เอาลอดเล่าให้ฟังคนที่ไปเนี่นะเขาแฮปปี้นะกับชีวิตของเขานะฉันโยนในกลุ่มนี้โอ้โหดีที่สุดเลยแต่ด่นานบีทุกวันอัลลอฮ์ไม่เอาสุวนหนานาบีเข้าบ้านไม่เอาสุวนานาบีเข้ากลุม่มไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่เห็นไหมครับ นั้นใครก็ตามนะที่นบีไม่ได้รับรองไม่ผิดหมดเลยครับจะตั้งมากี่กลุ่มก็ตามนะกลุ่มนั่นถ้าไม่มีซุนนะนบีอยู่ในกลุ่มไม่เอาซาวาบานนมมา้านนบีมาใช้ชีวิตในกลุ่มนั้นไม่มีความสําเร็จครัุฮิซบิบีมาละไดฮิมฟะริฮุนคุลแปลว่าทุกๆฮิซบินแปลว่ากลุ่ม หรือว่าพักอ่าฮิสบุลอิสลามพักการเมืองของอิสลามเราอยู่พักอัลลอฮ์กับพักรอชูนพอแล้วฮิสบินแปลว่าพักครับหรือแปลว่ากลุม่มแปลว่านิกายก็ได้แต่นั้นทุกๆุกนิกายทุกๆ ก, กลุม่มที่เขาตั้งกันมาใหม่มาใหม่นี่นะบิมาลาดัฮิมต่อที่พวกเขามีอยู่นั้นฟาริฮูนฟารฮ์อะไร แฮปปี้อ๋อฟารีฟรแปลว่าอะไรนะ <laughs> สบายใจดีใจสุขใจถูกใจหมดเลยนี่เลาลอให้อ่ะให้แบบหลงๆอ่ะเหจนรยงครับให้แบบลงอ่ะอาจาครับใครตีตั้งลทัทธิอะไรขึ้นมานะรอบเราก็แฮปปี้อยู่ในกลุ่มครับมีประมาณพั น, าน 1, คนโอ้โหแฮปปี้จังเลยตะดาซอบ้านอับดุทกทวัน ใช่ไหมดาอับสาบูประกาศอุมัดยกเวนอลีมาแตะนาชิอานาชีอัชชียานอะไรนะกลุ่มนิกายเล็กๆอัลลอฮให้ก็แฮปปี้นี่อัลลอให้นะให้ชั่วคราวจนกว่าจะตายพอตายแล้วหมดเสร็จไอคนที่ไม่เอาสาสนาวันนี้อัลลอก็ให้ให้เขาดื่มเหล้าได้ทำซินาได้กินเบียร์ได้ของมึนเมาได้ก็แฮปปี้กับชีวิตของเขากี่วันครับ เฉพาะบนโลกดุนยาเท่านั้นพอหลังตายหมดสิทธิ์อาคิร็อกหมดสิทธิ์เป็นอย่างครับในส่วนของบรรดาผู้แบ่งแยกาศาสนานะครับพวกเขาได้แตกออกเป็นนิกายอ่าชีอะแปลว่านิกาย เป็นกลุ่มเป็นนิกายวกาโนชยากุลล์เฮสเบนและแต่ละกลุ่มแต่ละนิกายนั้นพวกเขาฟาริฮือบว่ารื่นเริง ม, มีความสุขต่อที่พวกเขามีอยู่นะครับที่ได้ตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเขายกตัวอย่างท่านท่านท่า น, ท, านท่านกอตาดาอธิบายอย่างนี้ลัทธิที่เขาตั้งขึ้นมากลุ่มยาฮู อืแล้วก็ท่านมูฮัมมัดหมายถึงในตับซีดใบบอวีก็แปลว่ากลุ่มยาฮูดที่ตั้งศาสนาขึ้นมาทาลายอิสลามตั ว, วันนี้แล้วก็อบูฮุรัยร้อนนี่พูดบอกว่าถ้าหญิงอินชารายงานบอกว่าอัสฮาบุลฮาวะ คนที่ปฏิบัติตามอารมณ์นะกลุ่มไหนบ้างคือคนทําบิดอ่างทั้งหมดปฏิบัติตามอารมณ์หมดเลยของที่นบีไม่ได้สอนแต่นำเอามาปฏิบัติเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรกลุ่มบิดอ่าผู้เราเครื่องใครว่าบิดอ่างนี่โกรหน่าดูเลยแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของนบีคนคนบิดอ่างที่ปฏิบัติตามอารมณ์อโลอไปแล้วครับแล้วก็คนที่ แต่ละคณะแต่ละนิกายพวกเขาพึงพอใจรื่นเริงต่อที่พวกเขามีอยู่บรรดาอุลลออยุมหูดแปลว่ามัสรูรุนแปลว่าฟาลิฮุมาถึงมัสรูรุนดีใจท่านอิบนุเซตแปลว่ามุอาจิบุลพวกเขาถูกใจอย่างมากเลยและมุญยาฮิตแปลว่ามุตมัมัสซีกุนยึดมั่นอยู่ในลัทธิที่เขาสร้างขึ้นมา รัฐอะไรก็ตามลัฐที่อะไรก็ตามถ้าไม่โยงกับสุนัขนบีไม่โยงกับซาบาซนบีเป็นลัทิที่อัลลอฮ์ไม่พอใจแล้วก็แฮปปี้ไม่ก็แฮปปี้แฮปปี้ได้ทั้งหลงๆนั่นหละนี่านคุรานได้ข้อคิดเยอะนะอัลลอฮ์อักวาจะน่าอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามถ้ากลุ่มนั้นไม่มีสุนัขนบีกำกับชีวิตไม่มีซาบาซนบีชีวิตๆๆๆนะครับอพภิณอง ทีนี้ในในัพสุดธิขุนเกษตรบอกว่ากลุ่มที่หลงหลงเนี่ยมหนึ่งยาหูส์สองนาสโรสามมายูสีพวกบูชาไฟแล้วก็คนที่สามสา ม, สามกลุ่มนะหนึ่งพวกอะไรนะ บูชาเจ้าเวรูปเจ้าเวทแล้วก็คนอลัลลกิตาบเนี่ยอมันมุชริกกาเฟตมุตตัดมุนาฟิกอลลลกิตาบในกลุ่มลงหมดเลยนะพูดได้เต็มที่นะธ่นฮาดิเยุท่านนบีที่บอกว่าไงนะมาอาณาอะไลฮิอัสชาบีก็ข อ, ขอฝากพวงนี้นะคนที่จะมีชีวิตรอดบนโลกดุนยาและอาคิรอต้องยึดสุนนะนบีกับสหานนบีเป็นแบบ Karena itu sahaja, yang lain tidak ada. Subhanallahumma wa bihamdika. Sholalillahillahanta astaghfiru kawatulailai. Wassalamu ala Muhammad wa alihi wa sahabihijma'een. Alhamdulillahirobbil alamin.